ต่างใจฟังเนาะจะพึงไปทำอย่างอื่นวันวันหนึ่งคือเราจะได้ยินได้ฟังคขือนได้เสพของคุณไม่จะ่ของของโลนันก็แปลว่าในแต่ละวันที่เราเสพเข้าไป จนกลายเป็นเสพติดหรือเรื่องอะไรบางที่เราเสพแล้วมันติดไม่ติดแล้วสติสภาระจัตเจที่มีอยู่ซึ่งค่อสมบูรณ์มาแล้วอันกาดความสมบูรณ์เข้าไปอีกโอปรายิ์โคโน้องว่า มีเรื่องอะไรบ้างเหตุการณ์บ้านเมืองตอนนี้ก็เป็นที่ทราบกันการจากไปของปัะพันปีหลวงมีเรื่องหนงเรื่องทั้งหมดนี้ประมวลแล้วเพื่อมาสอนตัวเอง พิธีกรรมในแต่ละวันนี่คือเป็นต้นแบบที่ทำให้พวกเราได้คิดแต่ว่าคิดได้หรือเปล่าก็ไม่รู mm hmm. ้พยายามที่จะบอกพวกเราเวลาเรื่องคุยเรื่องพระพุทปธรปรมมสงวันใจป็นกันเข้าร เป็นของสู ง, งวสพวกเราไม่ความสำคัญกับพวกนี้ไม่ขอสำคัญก็แปลว่าเสมอกันหมดชีวิตราตอนนี้เป็นอย่างนี้เพราะตัวอย่างกลายไปเสียวกันหมดไม่มีอะไรความสำคัญมากสำคัญน้อย พอถ้าถึงสมัยพุทธกาลที่เราทำทุกวั น, น้เป็นเรื่องของโบราณอาจารย์มาเรียบเรียงให้เราเห็นภาพว่าสมัยพุทธกาลจริงๆที่เราไหวาพระสมาทานศีลอะไรมีที่มาที่ไปอย่างไรล้ไหวพระคือพระรถนาใจ การเข้าถึงภราตนาจัยสิลก็คือต้องการควบคุมดูแลกำกับตัวเองในความหมายในสมัยพุทธกาลเอาเฉพาะคนที่เรารู้จักมากคนมีชื่อบาศกวาสิกาหรือแม้แต่พระสงฆ์ก็ตามในสมัยพุทธกาล เช่นอนาณาวิธิกกเศรษฐีสิทธาหัตอาวดีเป็นต้นแค่สองคนสองท่านเป็นตัวอย่างหรือนางสามาวดีเป็นต้นเรามารูกันในงชีวิตอาณาธาิปิฏกเศรษฐีก่อนจะเสิ้นลงผู้ง่ายคือป่วย ซึ่งเป็นคาที่คนเป็นคำที่มนุษย์กลัวคือภัยนั่นเองเป็นความกลัวเป็นภัยอย่างหนึ่งที่แอบแฝงอยู่ในใจของเราทุกคนอาถาปฏิกิริท า, าสทก็เช่นเดียวกันเมื่อเวทนาคือความเจ็บป่วยนี่เวทนาเข้ามาเบีดขัดสิงที่ฝึกมา มันไม่สามารถที่จะบรรเทาพบาบางดังความทราบเป็นพระพุทธเจ้าพรุทธเจ้าก็ส่งคนไปส่งพระไปพระพุทธเจ้าของเราเป็นอัจฉริยะบุคคลท่านคนวางภาพออกแล้วนั่นก็แปลว่สาสนัยพุทธการพุทธเจ้า ไม่ได้เทศดคนเดียวพวกย่างไงแม้แต่สาวบ้านก็ใช้ไปเทศกพระนันต่ใครีว่าเอาคำพูดใจอย่างเดียวต้องคิดไหมเมื่อท่านทราบข่าวของอนุทะปิริกะเจตีว่าไม่สบายไม่สบายมากๆเ็ยวายตระมดาอง ก็ส่งพระไปแทนนี่กส่งพระอ น, นุนพระอุปทาจึงรู้เรื่องคนที่ท่านส่งไปก็คือพระสารีบุตรทําไมถึงส่งพระสารีบุตรไปเพราะพระสารีบุตรเป็นผู้ที่เข้าใจเวทนามากที่สุทิ์รู้ได้งไงว่าเข้าใจเวทนาของวิสุท เพราะว่าท่านสำเร็จได้ด้วยเวทนาร้วยอาสตบางท่านได้มาได้สอนในท่านพูดกันต่อคือไม่ได้พูดให้พระสรบุทฟังพระสารบุตรนั่งอยู่ข้างหลังพุทธเจ้ากลับได้บปโยู่นั่งกระแปลว่าคนคนที่เข้าใจเรื่องเวทนาความหมาย ก็สองไปถือห้าตาเป็นอาการเจ็บเฉยซึ่งไม่สบายคนไม่สบายนี่ทีอ่อนเอได้จบคือไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นจิตใจร่างกายเรื่องปกติและเรื่องปกติก็แปลว่าขำว่าร่างกายของเราเราเข้าใจว่าร่างกายของเราคืออะไร มันก็คือสิ่งที่เราเข้าใจมาทั้งชีวิตเราเข้าใจว่าร่างกายคือรูปร่างของเรานะเราเป็นเจ้าของไอ้ตัวอันตรายเวลพลายบดไปเพื่อไปแก้ปัญหาพวกนี้เพราะเวทนานั้นมันเป็นนามมันอาศัยรูปอยู่แต่มันมีผล กำลังออกทางกายไปทางรูปร่างพุ่นยะั้ไงแต่นี้ถ้ารูปร่างนี่ไม่มีเวทนาจะออกมาจากไหนอนสุเดชพระนางเจ้าพันปีหลวงตอนนี้ทว่าวท่านมีเวทนาไหมาตอนนี้ไม่มีเพราะเวทนามันอาศัยอันนี้อยู่เมื่ออันนี้มันอยู่ไม่ได้ เวทนามันก็ไม่มีโดยปุโรยนี่คือความหรายไปนั้นตัวที่เราจะต้องเข้าใจเบื้องต้นไม่ใช่ตัวเวทนาไปตัวที่ควาจะปวดเขาเวทนาเราก็มุ่งไปที่ความเจ็บปวดที่เราเข้าใจกันจริงเวทนามันกว้างอาจารย์ระสาริบทก็พยายามที่จะอธิบายให้อนาถวิธีการตเตี่ยฟัง ให้ละเอียดก่อนที่จะพูดถึงเวทนาวัทีิมาของมันคืออะไรก็รไร่ตานลำดับคืรูปร่างกายของเราเองอถ้าไม่มีรูปร่างกายในเวทนามันก็ไม่มีแต่พูดง่งไๆคือถ้ามันมีรูปความรู้สึกก็ไม่มีอันนี้คือจุดประเด็นถ้เป็นภาษาเรางนะ่าย เพราะง่ายเหมือนคนตายเนี่ยคนตายคือไม่มีความรู้สึกเวทนาก็ดับโดยปรยังทีนี้ในสภาวะอย่างนี้ถ้าจิตของเรายังมีการรับรู้คือรู้สึกรู้สึกคือรู้สึกทุกข์รู้สึกสุขรู้สึกเฉยเฉยรู้จิตยังสวยอารมณ์อันนี้อยู่อย่างนี้นะว่าเวทนา ที่สวยอย่างนี้ได้ก็เพราะว่ามันมีความรู้สึกรู้สึกในอะไรก็รู้สึกในรูปนี่แหละที่เป็นแสดงออกที่เป็นอายตนะคือตูเชื่อมเชื่อมจากข้างนอกเชื่อมจากข้างในนั่นะังนั้นจึงจึงเข้าใจว่าคําว่าทุกข์สุขเฉยๆมันมีทั้งข้างนอกและข้างในแต่พูดถึงสุขมันอะไรเป็นสุข พวดถึงทุกอะไรมันทุกเราจะได้เข้าใจปัญหาแต่ตัวจิตใจภาพรวมก็คือไม่เข้าใจโดยเพราะเวสนาบีบคั้นดังๆมันนึกอะไรไม่ออกจิตมันก็ไปอยู่ที่เวทนาจิตในขณะนั้นก่อนที่จะออกจากร่างอยู่กับเวทนาหรสอสวใอารมณ์นั้นๆมันจะไปไหนต่อ ก็ไปจะพบเวรกรรมมาพบรูปพบอารมปพบอันนี้คือจิตทีจิตจะ ต, ต, ต้องไปคราวนั้นกลับมาที่เดิมทําไมโบราณอาจารย์ถึงบอกว่าให้เราพรึ่งพระรัตนาใจเป็นหลักถ้าจิตรเราอยู่กับพรภัตนาใจคุณของกุศลเจ้าคนของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ มึงก็ะเอาพระราชดําหลังจากนั้นทําตัวเองให้มีสินเพื่อเป็นเครื่องประกันเป็นเครื่องรับรองเป็นหลักประกันชีวิตว่าถ้าเจิตราบันคงถึงแม้เป็นปุถุชนในพระราชดําริถ้ากายวาจาของเรามีศินเป็นเทตั้งจิตสุดท้ายมันอยู่กับสิ่งเหล่านี้ มันปิดอบายแน่นอนก็คือมันไม่ไปในรกเปรตสัตว์สิราชานอสุรกายพูดง่ายๆอันนี้คือคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่พวกเราที่ต้องศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจแลกให้ค่าให้ความสำคัญต่อของพ ร, รัชนาใจแล้วก็ความสำคัญนครับว่าสิ่งเราอย่าไปคิดว่าแค่นี้เพียงพอแล้ว เกิดวันพลาดหนึ่งหรือเราไม่บีบเบียนใครแค่นี้ก็พอแม้แต่พระสองฆ์องค์เนี่เช่นเดียวกันเข้าใจว่ารับจึงครั้งเดียวตั้งแต่บวชแล้วก็ใช้ตลอดชีวิ ต, ตมันจะใช้ได้จราบใดที่สติยังไม่สมบูรณ์สัมปชัญญะความรู้ตัวไม่ตาง ม, มาันยิ่งความไม่พร้อมทั้งสองอย่างนี้เกิดขึ้นความผิดพลาดจมเกิดขึ้นเสมอ โดยเฉพาะาคือคนที่มีเสียงที่ภาวนาตนที่ปฏิยานตนโดยตรงว่างอถึงคนของพุทธเจ้าพระทังพระเทยทรงในเบื้องตนเราจึงเรียกสิ่งโยสรรมเนจรจริงๆควาเป็นสามเนจรแค่รับเอาพระรัตนตรังก็ถือคือเป็นสามเรนรแล้วส่วนสิ่งนี้เป็นข้อปฏิบัติ มันไม่ได้บอกความเป็นสัมมนูนแต่ตัวที่เป็นบอกความเป็นสั ม, มนเนยในคือรัตนใจนี้เพราะนั้นสั ม, มนเนยหรือใครก็ตามเป็นร่วงระมิดในพระรัตนใจือว่าไร้ายขงถ้าเป็นพระเท่ากับปราชิกขาดความเป็นเดนนี่คือความสําสคัญใช่ไหมท่า น, นให้ความสำคัญขนาดนี้พราะนั้นพวกเราจึงมาได้พภ า, าลนาเอา เจนหรือคนของพุทธเจ้าคนของพระธรรมคนของอะไรเพรานะนั้นสิ่งที่พระสรรัจจะบดรสือให้เห็นถึงอนัตตาเป็นทีกัจจิติกะตามคืออันนีู้้กเข้าใจอันนี้ว่าเพิมนวัตนาเกิดขึ้นเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันอยู่ถ้าเวทนาตัวนี้มันไม่มีที่อยู่มันก็ไม่จะไม่แสดงออกด้ าาพันธะปีนิกะขวอสามารถที่บรรเทาเบาวางลงเบื้องต้นยึดเอาพระรัตนตรยัยเป็นหลักพสิ่งอื่นที่มีอยู่ลูกเต่าเหล่าหลานครอบครัวทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพื่งพาอะไรไม่ได้จิตทหารก็เช่นเดียวกันวงกอาวุธดี่วเช่นเดียวกันถึงแม้ในขณะนั้นเทวดา ทุกอยู่ในที่นั้นเราจะเห็นว่าสมัยก่อนเราก็จะพูดถึงสิ่งเหล่านี้ในหบอารามก็ตามก็จะมีคนดูเลยจะมีคนรับส่องลูกข่าเทวดาวนาเทวดาคือเทวดายอยู่ตาม ป, าาป่าครับคุณลูกข่าเทวดาเทวดยายืนอยู่ตามต้นไม้อันที่เป็นคำบรรยายในสมัยนั้นแท้จริงไม่รู้เพราะไม่ได้เราไปพูดเอง อารามเทวดาคือเทวดาที่งสารอารามแต่เป็นทั้งหนึ่งเหนือเราก็าเาจะเป็นเสื้อวัดเสื้อวานตอนนี้ไม่คนดูแลรักษาเพราะนั้นหลวงพ่พอถึงบอกทุกครั้งว่าการทำบุญของพวกเราหลังจากทำบุญแล้วไม่ว่าทางกายก็ตามทางวาจา ก, ก็ตามทางใจก็ตามทางนี้อย่าลืมแผ่เมตตาท่านเหล่านี้เพราะท่านเหล่านี้ก็ดูแลเรา ตัวเรืความเป็นอยู่ของพวกเราแต่เราเนี่ยไม่นึกถึงท่านเลยไม่นึกถึงพวกเขาเลยแล้วเขาจะคิดว่าเราเป็นมิตรไหมเหมือนพวกเราเนี่ยเราไม่ช่วยคนอื่นเล ย, เยแล้วคนอื่นเขาจะช่วยเราไหมแต่เวลาอยากขอความช่วยเหลื อ, เ ร, อเราคนล ม, มือแต่ว่าขอวัตถุบุตรเทวาดาก็ตัวนี้ตัวนี้ช่วยเราทน ถ้าเขาพูดได้ถ้าเขาสื่อสาตย์ตายก็จะบอกว่าอ๋อมันนึกเอาได้ตอนนี้เนาะแล้วที่ผ่านมานึกไม่ได้เวลาให้เราพยายามนึกถึงเรื่องดวงจิตดวงวิญญาณอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับสถานที่บุคคลในบริเวณนี้หรือที่อื่นแล้วแต่มันไม่ได้เสียหายอะไรแล้วก็ทำจิตของเราอย่างนี้เป็นประจําันก็จะโอเคมองมอง อย่างน้อยอริสงฆ์ที่ได้ก็คือทําให้ใจเราเป็นคนที่มีเมตต์ตงถ้าใจหรือว่าจิตของเรามีเมตตาแล้วมันไม่สามารถที่จะทําร้ายทําลายกันได้ถ้าออกจากใจจริงๆแล้วใจเรามีเมตตาแต่ด ท, ทั่วๆนะ่ะเมตตามีน้อยไม่ใช่ไม่มีเมตตามีจํากัดจํากัดคือจํากัดบคุคคลคนใกล้ตัวเท่านั้นที่จะเมตตาได้ คนในครอบครัวตอนนั้นที่ไม่แต่ได้นอกเขาก็ต้องอื่นไม่ได้ให้อภัยไม่ได้ให้เม่แต่ไม่ได้ถ้าจิตเรายังเป็นอย่างนี้ดูจะเกิดอะไรขึ้นคือสภาวะจิตซึ่งสําคัญตอนที่เราไม่ฝึกฝึกเลยจิตที่ออกจากแรงแมันไม่รู้จะนึกอะไร ถ้าน้นในทางที่ดีมันก็ดีถ้ามีเต่ความวิตกกังวลปลริโคตอะไรที่มันทาประจำาก็ต้องระวังจิตมันจะจำทั้งดีและไม่ดีหน้าที่ของเขาคือจำจิตมันจะจำว่านึกอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตสุดท้ายมันจะเป็นตามนั้นถ้าไปฝึกพวกก็คือฝืน คือฝึกจิตก็คือฝืนนี่คือความหมายครับว่าฝึกแต่ใครไม่ฝืนเลยก็เท่ากับไม่มีการฝึกเลยพลังการปฏิบัติก็คือการฝืนฝืนธรรมชาติฝืนความเป็นอยู่ที่มันเป็นอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นอยากจะไปให้ความสําคัญกับเรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องเรื่องเรื่องเป็นสาระเรื่องคำพูดของคนอื่นเรื่องเสียงของคนอื่น เรื่องสายตาเรื่องเอรื่องื่นอย่าให้มีผลต่อเราเพอเราเอาพวกนี้มาสุดท้ายกลายเป็นที่พึ่งเอาพวกนี้เป็นที่พึ่งคนนั้นพูดไม่ดีอกักขระจำเอามาคิดเรื่สิ่งที่สำคญมันไม่ได้ทําลายคนอื่นนะันทําลายตัวเองนึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ทําลายตัวเองเมาแล้วเคิดไม่เป็น เรนั้นสิ่งที่เราจะต้องคิดนักถึงก็คือคนของพระพุทธเจ้าคนของธรรมก็ย่อมโดยเฉพาะคือปฏิปทาตั้งใจว่าปฏิปทาของพระพุทธเจ้าคือการดํารงชีวิตการดารงตนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่เช้าจนรถค่าจนถึงดึกจนถึงรุ่งเช้าอีกวันวเขารียกว่าพุทธกิจคือกิจของพระพุทธเจ้าท่านทําอะไรบ้าง ตลอดระยะเวลา45ปีเราเป็นพระก็ 45,002 ผู้ยังของเรานะถ้าเป็นปรรษาพระก็ 45,002 เพรทันบทมาอายุเยอะแล้ว35คอยเจอประสบความสำเร็จคนยู9แต่ ว, ว่าเอาเข้าจริงประสบความสำเร็จมาอายุ35อันนี้คือพระพุทธเจ้าของเราหลังจากนั้นตืง่นเงียนนบ ประชานเฮืองสาสื่ก็ส5สิห้าปีในเยาวแรงสี่สิบ้าปีที่เราได้ศึกษาเรียนรู้จากพระองค์นั้นไม่มีเวลาไหนได้พระองค์พักอยู่เฉยๆพยยามที่จะสื่อสารอธิบายขยายความทุกเรื่องต้องติเกิดจนตายพูดงงถ้าประชาราวนก็สอนต้องต่เกิดจนตาย มีใครสอนขนาดาษนี้บ้างสอนให้รู้ตั้งแต่ก่อนเกิดอีกหลังจากตายหรือเขาพูดยังไงไม่ใช่สอนเฉพาะชีวิตนี้อันนี้คือพะพุทธเจ้าเพาะฉะนั้นพวกเราทุกคนอย่าประมาทเอาพระธรรมใจเป็นที่ตั้งมีความ ทุกความไมตกกังวลอะไรเอาผู้เยาเป็นที่ตั้งนั่นคือพรตัตญาน่งหลังจากนั้นสำคัญที่สุดคือสินพาณิชย์เราทำมาเยอะแล้วกึงครั้งบางคนก็เด้เรื่องฐานเมื่อวานก็เป็นเรื่องเนี้เด็กน้อยไิตกกังวลอยากจะให้ผู้ปกครองเด็กคิดนะดูสิลูกเขาพูดง่ายเลยอยากให้ผู้ใหญ่คือพ่อแม่ ภาวนาบ้างเด็กคิดดูดูดคำคำนี้มันน่าจะเป็นคำที่พ่อแม่สอนเด็กนะแต่เด็กกลับคิ ด, ด ว, ว, ว่าเหมือนบางอย่ากไม่ได้ขออะไรมากบอกวัวนหนึ่งขอให้พ่อแม่ภาวนาห้าทีสิบวิถีก็ยังดีแต่ไม่รู้ว่าคาว่าภาวนาของเขาหมายถึงอะไรขเขาเข้าใจไ้ยังไง คำภาวนาของเขาน่าจะเป็นเข้าใจว่าให้นั่งสมาธิบ้างแต่ว่าคำภาวนาจริงๆมันคว่างความก่อนั่งสมาธิเราหูเราตาคาภาวนาแต่ว่าถือเป็นเรื่องที่ดีถือเป็นการเข้าใจที่ดีเป็นการสื่อสารที่ดีแต่นี้ประเด็นก็คือด้วยธรรมชาติพ่อแม่เป็นคนสอนลูกทีนี้เมื่อไรก็ตามท่านลูกกลับตรงอาข้าม เป็นแนะนําพ่อเมรยมันจะรับไม่ได้ให้ให้อพอเมร์ตัวไหนรับได้พราะมืองเป็นลูกครูเราเมืองแต่มึงสอนกูเนี่ยความคิดใช่ไหมคือไม่คิดว่าเขาให้ธรรมะแต่คิดว่าเออเขาให้ธรรมะถ้าในอยู่ยได้คือแลกเปลี่ยนกันได้อะไรอย่าน้อยตัว อ, อย่างถามเออทําไมลูกพูดอย่างนี้ก็ต้องถามเขาเขาก็จะอธิบายว่าเขาทํำยังไง เราควรอย่ชมเชยเขาไม่ควรไปตำหนิไม่ควรไปคัดค้านผู้จะชมเชยเขาได้วย้ำไปพโลกทำดีแล้วประมาณนั้นแต่ส่วนใหญ่เราผู้ใหญ่จะรับไม่ได้อันนี้แสดงให้เห็นหนึนว่าถ้าใจเราไม่เป็นธรรมมันไม่พร้อมที่จะรับอะไรในหลายเรื่องที่เรารับไม่ได้ในชีวิตประจําวันเพรในอื่นหลายเรื่องที่เกิดขึ้นข้าใน ที่เราไม่ยังไม่มีแนวของพคิดอย่างนีน้คือรับไม่ได้แม้แต่ความเป็นความตา ย, ยานี้ไม่เช่นกันถ้าเป็นคนอื่นก็มันก็น้อยลงแต่ถ้าคนใกล้ตัวหรือตัวอื่นประสบเมื่อยมันจะรับไม่ได้นี่คือความสำคัญรั้นถ้าเราไม่ฝึกทุกวันฝึกวิธีคิดโดวยวิธีคิดอาง น, นี้แหละ อุปนัยจโก ต, ต้องก็หาในเช่นประจำวันเพราะว่าเรื่องอื่นเรามีเยอะอย่างเรื่องศรัทธาเนี่ยย่าไม่ต้องเอาพูดถึงอย่างวันนี้ถ้าไม่มีศรัทธาคงไม่มีทไ่มาเพราะนั้นเราไม่ต้องไปห่วงว่าเราศรัทธาหนึ่งแต่ขาดอย่างเดียวคือสติปัญญาเนี่ยนะตัวสำคัญเพราะนั้นสิ่งใดขาดแปลว่าสิ่งเรายังมีน้อยก็ต้องเพิ่มสิ่งที่มันมีน้อยให้มันมีมาก หลักง่ายๆเหมนสตังในกระเป๋าเราใช้ไปจะไปหมดพังก็ต้องหามาเพิ่มมอตื่นขี่ใช้สตางได้เนี่ยสติปัญญาก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องหาสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าสติปัญญานีะเป็นที่พึ่งของเราเมื่อจิตออกจากร่างแล้วส่วนทรัพย์สินเงินทองของไม่ค่าทั้งอื่นที่มีหมดทั้งหมดเป็นร้อยเป็นพันเป็นแสนสมมติว่า มีข่าเลยมีค่าเฉพาะคนที่อยู่ข้างหลังเอาไว้เขาทะเลาะกันเอาไว้เขาเยี่ยงกันแต่เห็นเราเขาไม่เป็นธรรมเขาก็จะเยี่ยงกันเองข่ากันตายฟ้องร้องขึ้นลงขึ้นศาลใช่ไหมโทษภัยของคนที่มักใจเรื่องทานพระนางก็อยากให้พวกเราทั้งหลายได้โอพระนางยึโกโดกูน้อมพัตัวเองทุกเรื่องที่เรารู้เราเห็น โดยตาได้ยินด้วยหูก็ตามโอรายะโกโน ค, คิดได้เป็นธรรมะพูดได้เป็นธรรมะฟังก็เป็นธรรมะนาแต่ละวันน้ำกันอยู่ในวัดก็เช่นเดียกันพยายามพยายามคิดอยู่เสมอนี่คือวัดสิ่งเราจะต้องคิดคือสติสำหรับจัญญะจะคิดก็คิดทำเป็นเป็นธรรมจะพูดก็ดพูดให้เป็นธรรมคือเป็นธรรมะจะไปเอาของเก่าจะไปเอาของที่ยังไม่มาถึง มาพูดมาคุยมันไม่มีประโยชน์อันไรเสียเวลาเสียโอกาสแทนที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องธรรมะธรรมศรรกากัจฉาคือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันผมคิดว่้ประโยชน์มากกว่าอันนี้นคือธรรมะสําหรับฝากเราเช้าวันนี้เพื่อวันหนึ่งครั้งหน้าเราก็จะเป็นอย่างนี้ใช้ชีวิตหรือใช้วิธีคิดวิธีพูดวิธีทำอย่างนี้ในแต่ละวันเราก็จะชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติธรรมทุกวันผู้นั้นไงคือภาวนาทุกวันนั่นเองไม่ได้ไปว่าหลับคืนหลับตางการขอสมุทนาความดีพวเราทุกคนทั้งคือรดยเฉพาะช่วงเทืนเนื้อตับใจนิดหนึ่งก็เตรียมฟืนเตรียมไฟไว้เอาไว้ทอดทอดตลอดอ่ะจนต้นต้นเดือนนั้นอ่ะฟืนไฟนี้ก็จะดับลงพวกฟืนพวกแก๊สพวกอะไรก็จะดับ แล้ววันที่วันที่อยูย่างกูใจเจ๊งอาจจะไปทอดอีกแล้วก็ตามกำลังตามสัทธาทำบุญอยาให้ตัวเองเดือดร้อนยายคนเดือดร้อนนั่นคือบุญนั่นคือบุญแท้ขออนุโมทนา